ก่อนฉันหรือว่าหลังฉันนะก็จะมีธรรมเนียมที่พระจะกล่าวอนุโมทนากล่าวอนุโมทนานี้นะจะเรียกเป็นการให้พรญาติโยมก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นการาแสดงความขอบคุณก็ได้นะขอบคุณที่ญาติโยมได้มาถวายอาหารที่จริงการขอบคุณนี้นะก็ควรจะรวมไปถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้เราได้มีอาหาร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 แล้วพะว่ามันทำให้ค น, นมีความสุขมากขึ้นนะอาจจะไม่ว่าจะเป็นการมีการทดลองทำนะให้จดบันทึกประจำวันนะหรือว่าเขียนจดหมายนะเป็นอาทิตย์ละครั้งแค่สาอาทิตย์เนี่ยนะมันก็ทำให้คนเขียนเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็มีความพอใจในชีวิตมากขึ้นเพราะเวลาเราก็เวลาเราก็ตามที่เรารู้สึก